อันทการวักวักว่าด้วยเวลากลางคืนสิกขาบทที่หนึ่งอันทการวั์ปาจิตติยากันห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่มืดนางภิกษุณีบางรูปยืนบ้างสนทนาบ้างกับบุรุษสองต่อสองในราตรีอันมืดไม่ได้ตามประทีปคือไม่ได้จุดเทียนหรือจุดตะเกียง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่สองอันทการวักปาจิตติยกันห้ามยืนอยู่โดยสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่ลับนางภิกษุณีบางรูปยืนบ้างสนทนาบ้างกับบุรุษสองต่อสองในที่ลับพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่สอันทการวักปาจิตติยกันห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่แจ้งนางภิกษุณีบางรูปเห็นว่าห้ามทำเช่นสิกขาบทที่สองในที่ลับจึงยืนบ้างสนทนาบ้าง กับบุรุษสองต่อสองในที่แจ้งมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่สอันตการวักปาจิตติยากันห้ามทำเช่นนั้นในที่อื่นอีกนางทุนลนันทาภิกษุณีกับบุรุษสองต่อสอง ยืนอยู่บ้างสนทนากันบ้างกระซิบที่หูกันบ้างส่งนางภิกษุณีที่เป็นเพื่อนไปซะบ้างในถนนรกบ้างในถนนตันบ้างในทางแยกบ้างมีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่หอันทการวักปาจิตติยกัน หามเข้าบ้านผู้อื่นแล้วเวลากลับไม่บอกลานางภิกษุณีบางรูปไปฉันประจําในบ้านหนึ่งวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วก็หลีกไปโดยไม่ได้บอกลาเจ้าของบ้านนางทาสีหรือยิงรับใช้กวาดบ้านจึงเอาเครื่องลาดใส่ลงไปในภาชนะหมายเหตุเครื่องลาดในที่นี้สะกดด้วยลออลิงนะครับคือเครื่องปูเพื่อรองนั่งหรือนอน เจ้าของบ้านไม่เห็นเครื่องลาดจึงถามเอากับนางภิกษุณีนางภิกษุณีตอบว่าไม่ทราบเขาก็ทวงเอากับนางภิกษุณีบริภาชเอาคือกล่าวติเตียนหรือกล่าวโทษด่าว่าแล้วตัดการถวายอาหารประจำภายหลังคนทั้งหลายพบเครื่องลาดนั้นในภาชนะจึงให้เจ้าของบ้านไปขอขมานางภิกษุณีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้เข้าไปสู่สกุลก่อนเวลาอาหารคือก่อนเที่ยงนั่งบนอาสนะแล้วไม่บอกลาเจ้าของบ้านก่อนหลีกไปสิกขาบทที่หอันทะการวักปาจิตติยากันห้ามนั่งนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านก่อนนางถุลัน น, นันทาภิกษุณีเข้าไปสู่สกุล ในเวลาหลังอาหารคือหลังเที่ยงไปแล้วไม่บอกเจ้าของบ้านนั่งบ้างนอนบ้างเหนืออาสนะมนุษย์ทั้งหลายละอายนางก็ไม่นั่งไม่นอนเหนืออาสนะด้วยเกรงจะเป็นการตีเสมอและพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีที่เข้าสู่สกุลในเวลาหลังอาหาร ไม่บอกเจ้าของบ้านก่อนนั่งหรือนอนบนอาสนะหมายเหตุอาสนะคือเครื่องลาดหรือปูลาดแต่ในท้ายสิกขาบทแก้ว่าที่ว่างแห่งบัลลังจึงหมายความว่านั่งบนเก้าอี้ก็ชื่อว่านั่งบนอาสนะสิกขาบทที่7อันทการวัคปาจิตติยกากัน ห้ามปูลาที่นอนในบ้านโดยไม่บอกเจ้าของบ้านนางภิกษุณีหลายรูปเดินทางไปสู่กรุงสาวัตถีในระหว่างทางแวะขออาศัยพักกับสกุลพราหมแห่งหนึ่งนางพรามณีขอให้รอจนกว่าพรามผู้สามีจะกลับมานางภิกษุณีก็ปูลาที่นอนด้วยคิดว่าจะรอแล้วนั่งบ้างนอนบ้างพรามนั้นมาในเวลากลางคืน ทราบความแล้วสั่งให้ไล่ออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้เข้าสู่สกุลในเวลาวิการไม่บอกเจ้าของบ้านก่อนปูราดหรือใช้ให้ปูลาดที่นอนแล้วนั่งหรือนอนสิกขาบทที่8อันทการวักปาจิตติยะกัน ห้ามติดเตียนผู้อื่นไม่ตรงกับที่ฟังมานางพัทธากาปิลานีเห็นสิทธิที่ตนเป็นอุปช้ายะบวชให้รับใช้ดีจึงกล่าวกับนางภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่เจ้าทั้งหลายนางภิกษุณีอุปถากรเราดีเราจะให้จีวรแก่เธอนางภิกษุณีนั้นก็เที่ยวพูดยกโทษกับผู้อื่นด้วยถ้อยคำคือประชดที่ถือมาผิด จำมาผิดว่าได้ยินว่าข้าพเจ้าอุปถาคแม่เจ้าไม่ดีแม่เจ้าจึงไม่ให้จีวรแก่ข้าพเจ้าความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ยกโทษผู้อื่นในทนี่นี้น่าจะหมายถึงกล่าวโทษผู้อื่นนะครับผู้ยกโทษผู้อื่นด้วยถ้อยคาที่ถือมาผิดทรงจามาผิด สิกขาบทที่เก้าอันธการวัตรปาจิตติยากันห้ามสาบแช่งด้วยเรื่องนรกหรือพรหมจรรย์ของของนางภิกษุณีหลายรูปหายนางภิกษุณีจึงพากันมาถามนางจันดกาลีภิกษุณีว่าเห็นบ้างไหมนางจันดกาลีภิกษุณีก็สาบแช่งตัวเองสาบแช่งผู้อื่นว่าถ้าข้าพเจ้าเอาของไป ขอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ขอให้ตกนรกถ้าใครหาความไม่จริงก็ขอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ให้ตกนรกพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้สาบแช่งตัวเองหรือผู้อื่นด้วยนรกหรือพรหมจรรย์สิกขาบทที่10อันทการวัต ปาจิตติยกันห้ามทำร้ายตัวเองแล้วร้องไห้นางจันดากาลีภิกษุณีทะเลาะกับนางภิกษุณีอื่นๆก็ตีอกชกหัวแล้วร้องไห้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ทำร้ายตัวเองแล้วร้องไห้หมายเหตุทิ้งท้ายสำหรับสิกขาบทที่แปด เกี่ยวกับคำว่าอุปชายะสำหรับนางภิกษุณีใช้ว่าปวัตินีก็ได้อุปชายะก็ได้